ฉันเฝ้ารอเธอมาเคยให้สัญญาต่อกันเคยพรำเริ่มพันว่าจะไม่ลืมบ้านนาเราจันข้าออกรวงอีกนาอยู่ในคนเคยตบตามองหา ลืมคลองลืมพูลืมทู่ลืมรักสอง ที่ อะไรที่คิดขึ้นมาเหมือนดังคนไข้รอยาอยากให้เธอรู้ว่ามันขอเรื่อมาลึกก่า